บินธบาตุกเช้าเนี่ยจะสังเกตว่าคนที่ใส่บาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่คนแก่ก็เป็นคนป่วยหรือว่าคนพิการนะที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยมันมีน้อยมากทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าคนที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องการใส่บานี่งหรือเรื่องการทําบุญนี่ เป็นเรื่องคนแก่ยานี้คือว่าตัวเองอาจจะยังไม่มีความทุกข์นะเพราะถ้าว่ามีความทุกข์นี่ก็จะนึกถึงเรื่องการทำบุญขึ้นมาแต่พอตัวนี้ไม่มีความทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจนะก็เลยนะไม่สนใจเรื่องการทาบุญหรือว่าไม่ให้ความสำคัญมากพอหรือเป็นไม่ได้ว่าถึงแม้จะมีความทุกข์นะแต่คิดว่า ยังมีสิ่งอื่นที่อยาหวังพึ่งพาได้เช่นเงินทองนะถ้ามีเงินมากขึ้นร่ำรวยแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็จะหมดไปหรือว่ามีฐานะมีตำแหน่งมีความสำเร็จในการงานมือชื่อมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาก็จะไม่ทุกข์นะนะตรงข้ามกับคน ที่สูงหวัยหรือคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนพิการคนเหล่านี้เนี่ยเขาเจอทุกข์นะและประสบการณ์ชีวิตก็อาจจะบอกว่าเนี่ยงเงินทองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่สิ่งที่เราเรียกว่าราบยศสารเสริญมันไม่ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะมีแล้วเนี่ยใจก็ยังทุกข์อยู่ จะทำให้ใจนี่หายทุกได้นี่ก็ชาวบ้านนี่ก็เริ่มจะนึกถึงบุญกุศลขึ้นมาโดยเพราะการทําบุญนี่ก็ก็เชื่อว่าจะช่วยทําให้หายทุกได้หรือถึงนี้แม่จะยังไม่หายทุกแต่ว่าก็ช่วยปลอบประโลมใจเกิดความหวังว่าบุญที่บําเพ็ญหรือสะสมทํามากพอก็จะทําให้ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเช่นนะความเจ็บความป่วยนะมันทุเลาเบาบางหรือว่าในการที่ร่างกายนี่มันเริ่มติดขัดเพราะความแก่ชรานันก็จะหายไปเนะี่ยมีเรื่องมีแรงขึ้นมาใหม่เรืองในน้อยนี่ก็ทำให้มีความาสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าคนเราเพอแก่ตัวนี่ มันไม่ใช่ว่าเรียวแรงหดทายอย่างเดียวนะในความสดชื่นเบิกบานก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของใจไปพร้อมๆกันแต่ว่าพอได้ทำบุญละได้ใส่บาตรละโดยพ่อเมื่อมีศรัทธาในพระตนะตรัยเนี่ยจิตใจก็เป็นกุศลเกิดความปิติเกิดความเบิกบานใจอ่มันก็ช่วยทาให มีความสุขอยู่ได้หรือมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคือว่าในยามที่มีความทุกข์พาะแก่ชาราพ่อป่วยพ่อทิิการอย่างน้อยก็มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งดีกว่าจะไปหวังพึ่งอย่างอื่นนะเช่นเล่าการพ น, นันนะเล่านี้ก็หลายคนก็เสพเพื่อยอมใจให้มันหายทุกหรือว่าเล่นการพ น, นันเพื่อได้ท้องมีความหวัง หรือทำให้จิตใจมันเกิดความกระชุมกระชวยว่าเออมันมันมีอะไรที่ทําให้ตื่นเต้นนะช่วยให้หายเบื่อหายเซงอย่างน้อยก็ชั่วคราวแต่ว่ามันก็สร้างปัญหาตามมามากมายนะไม่ต้องจารนัยนะก็รู้นะว่าเล่าก็ดีการพนันก็ดีเนี่ยแม้แต่การซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหรือการเล่นหวยเนี่ย มันก็สร้างความทุกข์สร้างปัญหาตามมามากมายมเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียแมการที่คนที่มีความทุกข์เพราะความแก่ชราเพราะความเจ็บความป่วยเพราะความพิการหรือเพราะสูญเสียคนรักเนีเช่นลูกลมหายภรรยาตายจากเนี่ยหรือว่าสามีนะจากไปในการเอา บุญกุศลมาเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ใจนี่ก็ถือวเป็นเรื่องดีดีกว่าไปหาทางออกอย่างอื่นแต่มันจะดียิ่งกว่า น, นี้นะถ้าเกิดว่าไม่ต้องรอให้ทุกข์มันเกิดขึ้นก่อนไม่ต้องรอให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นไม่ต้องรอให้ความแก่เกิดขึ้นไม่ต้องรอให้ร่างกายพิกกลไอตอนที่เรามีสุขภาพดียังหนุ่มยังสาวเนี่ย ก็ควรนึกถึงเรื่องบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าในการถ้าเรามีบุญกุศลเอาไว้เนี่ยนะมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์ได้ไม่ใช่ร้อยทุกข์เกิดแล้วก็เอาใสยบุญกุศลมาช่วยย้อมใจหรือปลอบประลมใจแต่บุญกุศล น, นี่มันก็ไม่ควรจะจำกัดเฉพาะการใส่บาตรนะการถวายสังฆทานแต่ควรรวมถึงการ นะฝึกจิตฝึกใจด้วยว่าบุญเป็นเ่ อ, องความสุขนะสุขที่วันนี้คือสุขใจและเราจะสุขใจได้เนี่ยนอกจากการทําความดีแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักทําใจให้ดีด้วยโดยพอเวลาที่เรามีความสุขมีความสําเร็จก็ให้รู้ให้รู้จักนะเตือนจิตเตือนใจของตัวเองว่าเนี่ยไอ้ความสุขก็ดีความสําเร็จก็ดีความเงินเงินทองก็ดีพวกนี้นี่ อย่าไปเพิ่เพิ่กับมันมากเพราะอะไรนะเพราะหนึ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงนะพอเพิ่เพิ่กับมันแล้วถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนไปก็จะทุกข์เหมือนกับเทวดาตกสวรรค์นะไม่มีเทวดาองค์ไหนนะที่จะไม่ตกสวรรค์นะคนที่มีความสุขมีความร่ำรวยได้รับความสารเสริญชื่นชม ก็จะไปเพลิดเพลินกับมันมากเพราะถ้าเพลิดเพลินกับมันมากก็เหมือนกับว่ายิ่งอยู่สูงพอตกลงมายิ่งเจ็บแต่ถ้าไม่เพลิดเพลินกับมันก็แค่รู้ว่าเออมันเป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปมันก็จะไม่เหมือนกับคนที่ลอยอยู่บนที่สูงอาจจะลอยอยู่แค่เนื้อพื้นผิวไม่เท่าไหร่ถึงเวลาตกลงมาก็ไม่เจ็บ ขณะเดีวกันเนี่ยถ้าเราไปเพลิดเพลินกับมันนะราบยศสุขสารเสรเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้หลงตัวลืมตนก็คือทําให้อัตตาของโตแล้วคิดว่ากูแน่แกูเก่งแล้วก็นําไปสู่การดูถูกคนอื่นนะพอไปดูถูกคนอื่นเย้ยาย้ําคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสร้างทุกข์เป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้ครับนี้เป็นเพราะว่าไปไปหลงเพลินนะในญาติยศสุขสารเสรมัก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามา ไม่ใช่แค่ความหลงหรือความประมาทอย่างเดียวนะนินยามที่เรามีความสุขนะความสาเร็จเนี่ยก็ก็อย่าลืมนึกถึงบุญนึกถึงกุศล น, นึกถึงธรรมะเอาไว้นะไม่ใช่ว่ารอให้แก่รอให้เจ็บรอให้ป่วยรอให้สูญเสียแล้วค่อยมานึกถึงธรรมะนึกถึงบุญกุศลตอน น, นอา จ, จะสายไปแล้วก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำให้อ่ตั้งตัวไม่ติดเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะคือ ป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่พอมีความทุกข์แล้วค่อยมาแก้ทุกข์อาจจะสายเกินการหรือว่าอาจจะไม่มีเรื่องไม่มีแรงไม่มีกำลังพอที่จะทำบุญทำกุศลหรือว่าปฏิบัติทําได้